จารย์ท่านสาธุชนผู้มิจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2550เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากวันที่ห้าพฤษภาคมเป็นวันชาตมงคลจึงได้มี วันหยุดชดเชยให้หนึ่งวันเพราะวันฉัดไปตรงกับวันเสาร์ก็เลยถือว่าสำหรับญาติโยมก็ถือว่ากำไรมีวันหยุดอีกวันหนึ่งอยู่ที่ว่าจะใช้วันหยุดนั้นให้ให้ได้กำไรจริงๆหรือไม่ถ้าไปเที่ยวไปเล่นไปดื่มไปหาความสนุกทางโลกทางตา ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางศาสนาเราก็ไม่ถือว่าเป็นการกระทาที่ให้เกิดกําไรขึ้นมาการกระทาที่จะทำให้เกิดกําไรต้องเข้าวัดต้องมาทำบุญตักบาตรมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมเพราะการกระทาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราปฏิบัติ เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะพาเราไปสู่ความสุขไปสู่ความเจริญไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงดังนั้นถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อแล้วปฏิบัติเราจะได้ไปพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระหรหันตสาวกอย่างแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้เห็นตถาคตก็คือผู้เห็นธรรมเราไม่ได้เห็นรูปร่างสลีระร่างกายของพระพุทธเจ้าแต่เราเห็นธรรมะซึ่งเป็นองค์แท้จริงของพระพุทธเจ้านั่นเองธรรมะนีแะ่แลอยู่ในใจของใครเมื่อนั้นก็จะทําให้ใจของผู้นั้นเป็นผู้ มีจิตใจบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นผู้สิ้นกิเลสเมื่อสิ้นกิเลสแล้วก็จะเป็นเหมือนกับของพระพุทธเจ้าและของพระอารหันตาสาวกทั้งหลายไม่มีการไม่มีความแตกต่างกันเลยถ้าเป็นรถยนต์ก็เหมือนกับรถยนต์ที่ผลิตออกมาจากโรงงานนันเดียวกันออกมาแล้วก็จะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกัน หรือหรือเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุโทรศัพท์มือถือถ้าผลิตออกมาจากโรงงานเดียวกันก็จะมีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการชั้นใดถ้าเรานำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติมาชำระกายวาจาใจให้สะอาดหมดจดให้บริสุทธิ์ผุดผ่องใจของเรา ก็จะเป็นเหมือนกับของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ทุกเวลาทุกสมัยไม่ได้จำเป็นจะต้องทำแต่ในในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าอยู่เท่านั้นเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ขึ้นกับการกับเวลาเป็นอาการลิโกคือ ใช้เวลาไหนก็ได้ไม่มีวันเสือ่อมสมัยพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสั่งสอนก็จะบรรลุได้เหมือนกันสมัยนี้ถึงแม้จะไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่แต่มีพระธรรมคําคสอนแล้วเราก็ปฏิบัติตามพระธรรมคําคสอนเราก็จะได้ผลเช่นเดียวกับพระผู้ที่ปฏิบัติในสมัยพุทธกาล ไม่มีความแตกต่างกันเลยเพราะธรรมะไม่เสื่อมตามการตามเวลาไม่เหนื่อยกับสิ่งต่างๆในโลกนี้<ม>เช่นอาหารหรือยา<ม>เวลาที่เขาผลิตออกมาเขาต้องเขียนวันกำหนดอายุว้วันวันหมดอายุคือถ้าหลังจากวันที่เขาเขียนไว้แล้วยาหรืออาหารนั้นก็จะเสียจะไม่มีประโยชน์รับประทานเข้าไปก็จะเกิดโทษได้ แต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีฉลากเขียนไว้ว่าจะหมดอายุวันไหนเป็นอากาลิโกเขียนติดไว้ในฉลากว่ากินได้ตลอดเวลาใช้ได้ตลอดเวลาไม่มีเสียไม่มีเสื่อมผู้ใดนำเอาไปรปฏิบัติจะได้รับผลอย่างแน่นอนเพราะผลไม่ได้อยู่ที่เวลาผลอยู่ที่การปฏิบัติเท่านั้น ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนอุชุยายะสามิจิปฏิปันโนผลคือมรรคผลที่ผ่านย่อมเป็นสิ่งที่ตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นพระพุทธดังนั้นพระอรหันต์จึงไม่ไม่มีปราศจากไม่หมดไปจากโลกแม้พระพุทธเจ้าและพระสาวโลกทั้งหลายได้ผ่านไปแล้วแต่ก็ยังมีพระอรหันต์ปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ เพราะตราบใดมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตราบนั้นพระอาหารหันต์ก็จะไม่สิ้นไปจากโลกดังนั้นขอให้เราจงเชื่อมั่นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วน้อมเข้ามาปฏิบัติธรรมนี้ท่านสอนว่าเป็นโอปนะอิโกต้องน้อมเอาเข้ามาได้ยินได้ฟังอย่างไรก็ต้องเอามาปฏิบัติอย่างนั้น ท่านทรงสอนให้เราทำความดีละบาปชำระจิตให้บริสุทธิ์เราก็ต้องน้อมเอาเข้ามาปฏิบัติเราต้องทำดีละบาปชำระจิตใจให้สะอาดกำจัดความโลภความหลงต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจอย่างนี้หรือท่านเรียกว่าเป็นโอปะนีย์โกถ้าฟังแล้วไม่ได้เอามาปฏิบัติ การฟังนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับการได้เห็นอาหารที่ตั้งอยู่ต่อข้างหน้าเราแต่ไม่ตักอาหารเข้าปากไม่รับประทานอาหารต่อให้อาหารจะวิเศษขนาดไหนก็จะไม่เกิดประโยชน์กับเราถ้าเรานั่งดูอยู่เฉยๆอาหารก็ต้องรับประทานถึงจะทำให้เรามีความอิ่ม มีความสุขได้ธรรมะก็ต้องปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเราก็จะมีความสุขความสุขทงความสุขนี้ก็มีอยู่สองระดับด้วยกันความสุขทางโลกและความสุขทางธรรมความสุขทางโลกก็เหมาะกับคาวะผูกครองเรือนส่วนความสุขทางธรรมก็เหมาะกับนักบวช เพราะเป็นความสุขที่มีความแตกต่างกันการปฏิบัติก็แตกต่างกันขลาวว่าจะเหมาะกับความสุขทางโลกมากกว่าทางธรรมพระหรือนักบวชมีก็จะเหมาะกับความสุขทางธรรมมากกว่าทางโลกเพราะความสุขทางโลกและทางธรรมนั้นเหมือนกับอยู่กันคนละฝาก ต่างกันความสุขทางโลกนั้นเกี่ยวกับการมีทรัพย์การใช้ทรัพย์แต่ความสุขทางธรรมนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินสมบัติเงินทองเกี่ยวกับเรื่องความสงบของจิตใจถ้าต้องการความสงบทางโลกทางธรรมคือความสุขทางธรรมคือความสงบของจิตใจก็ต้องสลัดต้องสละความสุขทางโลก ที่ได้จากการมีทรัพย์ที่ได้จากการใช้ทรัพย์แต่ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะเข้าหาความสงบทางธรรมได้คือความสงบความสงบสุขของจิตใจเราก็ต้องหาความสุขทางโลกไปก่อนความสุขทางโลกพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้มีอยู่4่ลักษณะด้วยกันคือ 1- การมีทรัพย์สอง การได้ใช้ทรัพย์ 3. <c oughs> การไม่มีหนี้ 4. การกระทําที่ไม่เกิดโทษนี่คือเหตุ4ประการด้วยกันที่จะนำความสุขทางโลกมาให้มาให้แก่พวกเราพวกเราจึงต้องสนใจศึกษาแล้วทำให้เหตุเ ห, เหล่านี้ปรากฏขึ้นมาให้ได้ พราะเ่อมีเหตุเหล่านี้แล้วเราก็จะมีความสุขกันเหตุเหตุอันแรกที่ท่านบอกว่าการมีทรัพย์เป็นความสุขเราก็คงจะรู้กันเพราะเวลาเรามีเงินมีทองเราก็ดีอกดีใจมีความสุขเพราะเราสามารถสามารถเอาเงินนี้ไปซื้อความสุขต่างๆได้เช่นเราอยากจะได้อะไรเราอยากจะดูอะไรอยากจะฟังอะไร อยากจะรับประทานอะไรเราก็ใช้เงินนี้ไปซื้อมาได้แต่การที่จะมีทรัพย์นี้ท่านก็แสดงไว้ว่ามีได้ทั้งทางที่ถูกและทางที่ไม่ถูกทางที่ถูกนั้นก็คือหนึ่งเราเคยทําบุญมาในอดีตเคยให้ทานมามากเมื่อเรามาเกิดในชาตินี้อ น, นิสงของบุญของทานที่เราได้ทําไว้ ก็ส่งให้เรามีทรัพย์เช่นได้เกิดเป็นลูกของเศรษฐีลูกของผู้มีอันจะกิน mm hmm. ก็ทำให้เราไม่ต้องไปเดือดร้อนไปหาเงินหาทองว่าเงินทองที่เราได้มาในชาตินี mm hmm. ้เกิดจากการที่เราได้เคยทำบุญไว้ในชาติก่อนนี้เอง mm hmm. เหมือนกับที่พวกเรากำลังทำบุญกันในชาตินี้ต่อไปชาติหน้าเราไปเกิด ข้างหน้าเราก็จะมีเงินทองรอเราอยู่นี่คือการมีทรัพย์ประการหนึ่งประการที่สองถ้าเราไม่สามารถถ้าเราไม่เคยทาบุญให้ทางมาก่อนเราก็จะไม่ได้เกิดมามีทรัพย์ติดตัวมาไม่ได้เกิดเป็นลูกเศรษฐีเราอาจจะไปเกิดเป็นลูกของคนยากคนจนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีทรัพย์ไปตลอด ถ้าเรามีความขวนขวายมีความขยันหมั่นเพียรตั้งหน้าท่านตาศึกษาหาความรู้แล้วก็ตั้งหน้ า, าท่านตาทำมาหากินเราก็จะสามารถมีเงินมีทองขึ้นมาได้อย่างเศรษฐีบางคนที่เขาเกิดมาเขาก็ไม่มีอะไรติดตัวมาเกิดอยู่ในครอบครัวที่ยากจนแต่เนื่องจากเขามีความขวนขวายเขามีความตั้งใจ เขามีความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาหาความรู้แล้วก็เอาความรู้ที่ตนเองหามาได้นี้มาทำมาหากินจนได้ร่ำรวยเป็นมาหาเศรษฐีขึ้นมานี่ก็คือวิธีที่จะทำให้เกิดมีทรัพย์ขึ้นมาโดยโดยถูกต้องไม่เป็นโทษส่วนวิธีที่จะทำให้เกิดทรัพย์ขึ้นมาที่ไม่ถูกต้องแล้วที่จะมีโทษตามมา ก็คือการทำมาหากินที่ไม่สุจริตที่ประกอบการทุจริตต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะเป็นการลักทรัพย์เป็นการช่อโกงเป็นการโกหกหลอกลวงผู้อื่นการกระทำเหล่านี้เรียกว่าเป็นการกระทำที่ไม่ดีทำแล้วเกิดโทษขึ้นมาทำแล้วจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา ไม่ได้ทำให้เกิดความสุขเราต้องหลีกเลี่ยงการทำมาหากินด้วยวิธีทุจริตถ้าเราอยากจะได้ความสุขเราก็ต้องทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนี่คือความสุขที่ที่เกิดจากการมีทรัพย์ประการที่สองความสุขที่เกิดจากการได้ใช้ทรัพย์การใช้ทรัพย์นี้ก็ใช้ได้หลายรูปแบบด้วยกัน ใช้แล้วทําให้เกิดความสุขก็ได้ใช้แล้วทําให้เกิดความทุกข์เกิดโทษตามมาก็ได้ถ้าเราเอาเงินทองที่เรามีอยู่นี้มาใช้กับในสิ่งที่จำเป็นเช่นปัจจัยสี่สร้างบ้านหาอาหารสื้ออาหารมารับประทานซื้อเสื้อผ้ามาใส่ซื้อยารักษาโรคอย่างนี้เรียกว่า เป็นการใช้เงินที่ทำให้เกิดประโยชน์สุขขึ้นมาแต่ถ้าเราเอาใช้เงินนี้ไปใช้แบบฟุ่มเฟือยใช้กับอบายมุขทั้งหลายเอาไปเที่ยวไปดื่มไปดื่มสุรายาเมาเอาไปเล่นการพนันเอาไปเที่ยวกลางคืนถ้ากระทาอย่างนี้มันก็จะไม่เป็นประโยชน์สุขแต่จะเป็นโทษเพราะ การใช้เงินแบบนี้จะทำให้เงินทองหมดไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นโทษกับร่างกายด้วยเช่นการเสพสุรายาเมาถ้าเสพไปแล้วก็จะทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยมีอายุไม่อยู่ยาวนานจะต้องตายไปก่อนวัยอย่างนี้เรียกว่าเป็นการใช้เงินที่เป็นโทษเป็นทุกข์ไม่เป็นสุข การใช้เงินที่เป็นสุขนั้นนอกจากใช้กับปัจจัยสี่แล้วที่ถ้ามีเหลือก็เอามาทำคุณทำประโยชน์ให้กับสังคมให้กับเพื่อนมนุษย์เอามาทำบุญทากุศลแล้วก็จะเป็นการสะสมทรัพย์ในภายภาคหน้าต่อไปด้วยเวลาที่เราตายไปแล้วไปเกิดข้างหน้าเราก็จะได้มีทรัพย์รอเราอยู่เราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาหาทรัพย์ใหม่ เาะทรัพย์ที่เกิดจากการทำบุญให้ทานในชาตินี้ก็ <c oughs> จะรอเราอยู่ในภายภาคหน้าเราก็จะมีความสุขทั้งในปัจจุบันและมีความสุขทั้งในอนาคตในภพชาติต่อไปจึงขอให้เราใช้เงินให้เป็นใช้ให้เกิดความสุขขึ้นมาอย่าใช้ให้เกิดความทุกข์อย่าใช้ให้เกิดโทษกับตัวเรา ประการที่สท่านสอนให้ท่านสอนว่าความสุขนั้นเกิดจากการไม่มีหนี้<ม>เพราะการมีหนี้นี้ก็เป็นภาระทางจิตใจเมื่อเราเป็นหนี้แล้วเราก็ต้องหาเงินมาใช้หนี้<ม>เพราะถ้าเราไม่ใช้หนี้เราก็ต้องถูกเจ้าหนี้เข้ามาทวงเข้ามาดุมาด่ามาว่ามาทำร้ายเราหรือฟ้องเรากับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับเราขึ้นศาล จับเราเข้าคุกเข้าตารางถ้าเราไม่มีหนี้สักอย่างเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายถึงแม้จะไม่มีเงินทองมากมายอย่างน้อยเราก็จะไม่มีความทุกข์หนี้นี้ส่วนใหญ่ท่านบอกว่าเกิดจากการที่ไม่รู้จักการใช้เงินนั่นเองใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายใช้อย่างฟุ่มเฟือยใช้มากกว่าหามาได้ ถ้าเราใช้เงินมากกว่าที่เราหามาได้เราจะหาส่วนไหนมามามาโปะส่วนที่เราขาดไปเราก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมา<ะ>เมื่อกู้มาแล้ว<ด>ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ต้องใช้เขานอกจากใช้ต้นแล้วเรายังมีดอกเพิ่มขึ้นมาอีกใช้หลายต่อด้วยกันใช้ทั้งหนี้ใช้ทั้งดอกแต่ถ้าเรารู้จักใช้เงินใช้ทอง ใช้ในสิ่งที่จำเป็นใช้ในสิ่งที่ไม่ไม่ที่สิ่งที่ไม่จำเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยเราก็ไม่ต้องไปใช้มันเช่นถ้าเรามีเงินพอ ท, ที่จะซื้อสบู่ก้อนละสิบบาทแต่เราเห็นคนอื่นเขาใช้สบู่ก้อนละละ้อยเราอยากจะใช้แบบนั้นมันก็จะทำให้เราไม่มีเงินพอใช้แต่ถ้าเราใช้เงินตามฐานะของเราเรามีมากมีน้อย เราก็ใช้ตามฐานะของเราอย่าไปเห่อตามคนอื่นเขาเพราะคนอื่นกับเรานั้นมีฐานะแตกต่างกันดังที่โบราณเขาพูดว่าเห็นช้างขี้อย่ายไปขี้ตามช้างเพราะเรากับช้างนั้นมคนละขนาดกันเราต้องอยู่ตามฐานะของเราเรามีรายได้มากน้อยเพียงไรก็ขอให้เราใช้ไปตามที่เราหามาได้ อย่าใช้มากกว่าที่เราหามาได้และควรจะใช้น้อยกว่าด้วยเพราะเราต้องมีส่วนที่เก็บไว้ในวันข้างหน้าด้วยเผอในวันข้างหน้าเกิดเราตกทุกข์ยากลำบากไม่มีรายได้เราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการไม่สามารถหารายได้มาเราจะได้อาศัยส่วนที่เราเก็บไว้นี่เองถ้าเราไม่เก็บไว้เลยเราก็จะลำบาก ไปกู้นี่ยืมสินแล้วเราก็จะไม่มีปัญญาใช้ก็จะต้องถูกเข้ามาจับเราไปลงโทษดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังอย่าใช้เงินเกินฐานะของเราใช้ให้อยู่ในฐานะใช้ใช้พอประมาณเพราะความจำเป็นของการใช้เงินนี้จริงๆก็มีไม่มากเพียงมีเพียง ปัจจัยสี่เท่านั้นที่จาเป็นต่อการดำรงชีพของเรานอกจากนั้นแล้วถึงแม้เราจะไม่มีเราก็อยู่ได้ไม่มีโทรทัศน์ไม่มีวิทยุไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีรถยนต์เราก็ยังอยู่ได้เรายังสามารถทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราได้ดีกว่าไปเป็นหนี้แล้วต้องหาเงินมาใช้หนี้เขา ถ้าหาด้วยวิธีสุดจริตไม่ได้เราก็อาจจะต้องไปหาวิธีที่ทุจริตทำผิดศี ล, ท ำ, ศลทำผิดกฎหมายก็จะต้องเสี่ยงต่อการถูกเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองจับเราไปลงโทษจับไปติดคุกติดตารางนะดังนั้นขอให้เราพยายามหลิกเลี่ยงการมีหนี้มีศิน นอกจากการมีหนี้แบบที่เขามีหลักทรัพย์เป็นเครื่องประกันอย่างนี้เราไม่ถือว่าเป็นหนี้เพราะเวลาเราไปกู้ยืมเงินที่ธนาคารธนาคารเขาก็ต้องให้เรามีหลักทรัพย์มาค้ำประกันไว้เราเพียงแต่ไม่มีเงินสดแต่เรามีหลักทรัพย์เราก็เพียงเอาหลักทรัพย์ของเราไปแลกเงินสดมาใช้เท่านั้นอย่างนี้เราไม่ถือว่าเป็นหนี้กัน เพราะว่าเมื่อเราไม่สามารถที่จะเอาเงินมาคืนเขาได้เขาก็ริบหลักทรัพย์ของเราไปเราก็ยังไม่ได้เป็นหนี้เขาอยู่ดีนั่นเองดังนั้นขอให้ทําความเข้าใจว่าการเป็นหนี้นั้นมีหลายวิธีด้วยกันการเป็นหนี้ที่ไม่ได้เป็นหนี้ก็มีเช่นการที่เราไปกู้เงินที่ธนาคารอย่างนี้อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นหนี้เพราะเรามีหลักทรัพย์ ถ้าเราไม่มีปัญญาคืนเงินเข้าได้เราก็ให้เขายืดหลักทรัพย์ไปเรื่องก็จบไม่มีปัญหาอะไรตามมาแล้วประการสุดท้ายความสุขที่เกิดจากการไม่กระทำสิ่งที่เป็นโทษนั่นเองก็อย่างที่ได้แสดงไว้การกระทำนั้นก็มีทั้งการกระทำที่ดีและการกระทำที่ไม่ดีทำแล้วเกิดประโยชน์ก็มี ทำแล้วเกิดโทษก็มีการกระทาที่เกิดประโยชน์ก็คือการกระทาที่สุดจริตนั่นเองไม่ทำการการไม่ทาผิดศีลไม่ทำผิดกฎหมายถ้าเราก็จะไม่มีความไม่มีปัญหาไม่มีโทษตามมาไม่มีความทุกข์ตามมาแต่ถ้าเราทำผิดศีลทําผิดกฎหมายก็จะมีโทษตามมาทําผิดกฎหมายก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ตารวจ มาจับเราไปเข้าคุกเข้าตารางทำผิดศีลก็จะทำให้เรามีความทุกข์ใจมีความวุ่นวายใจแล้วก็เมื่อตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายอีกดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราดูการกระทำของเราว่าเราทำในสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขหรือทำในสิ่งที่เรามี ความทุกข์เนี่ยถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้เราจะทาําตามคนอื่นเขาซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความสุขการกระทําที่เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์นั้นเป็นอย่างไรเมื่อทําไปแล้วก็มาบ่นว่าทุกข์กันอยู่ทุกวันก็เพราะว่าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้านั่นเองดังนั้นในเวลาที่เรามีเวลาว่างเช่นวันนี้เราจึงควรเข้าหาพระธรรมคำสอนเข้าฟังเทศฟังธรรมแล้วนาเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปใคร้ครวนพิจารณาอยู่เรื่อยๆอย่าฟังให้เข้าหูซ้ายแล้วออกหูขวาไปฟังแล้วต้องให้หลงอยู่ติดกับใจไม่เช่นนั้นก็จะเป็นลักษณะแบบทับพีในหม้ อ, อกแกง ถึงแม้จะอยู่ในหมอ้อแกงก็จะไม่รู้รสชาติของแกงว่าเป็นอย่างไรต้องฟังแบบลิ้นที่สัมผัสกับแกงจะรู้รสของของแกงที่สัมผัสนะี่ยฉันใดเมื่อเราฟังแล้วก็ขอให้เราเอาไปคิดเอาไปค่ายควรเอาไปพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราจะลืมเพราะเมื่อเราไปทำภารกิจอย่างอื่นเราก็ต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ก็จะทำให้เราลืมเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วเราก็จะไม่ได้นำเอาไปปฏิบัติแล้วผลที่ดีคือความสุขความเจริญก็จะไม่ได้เป็นสิ่งที่ตามมาผลที่ตามมาก็จะมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องมีแต่ความทุกข์ตามมาเพราะเราไม่ได้นำเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาประพฤติปฏิบัตินั่นเองดังนั้นจึงขอให้เรา จงน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใส่ใจเราอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเวลาใดที่มีเวลาว่างที่ไม่ต้องคิดเรื่องอะไรก็ขอให้คิดถึงพระธรรมคำสอนถ้าลืมหรือจำไม่ได้ก็เปิดหนังสือขึ้นมาอ่านเปิดเทปขึ้นมาฟังถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราจะได้มีธรรมะหล่อเลี้ยงจิตใจ ม, มีน้ำมีน้ามนต์ฉลมจิตใจอยู่ตลอดเวลา น้ำมนต์ที่แท้จริงก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เองไม่ใช่อะไรอย่างอื่นถ้าเป็นอย่างอื่นแล้วพระพุทธเจ้าก็จะไม่เสียเวลามาสั่งสอนถึง45ปีด้วยกันตลอดเวลา4ีปีที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระพุชนชีพอยู่หลังจากที่ได้ตัดสรู้แล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำภารกิจอย่างอื่นเลยมีแต่อบรมสั่งสอนสัตว์โลกอย่างเดียว เช่นในตอนบ่ายก็สั่งสอนศรัทธ า, ายาิอยู่ในตอนค่ำก็สั่งสอนพระภิกษุสามเณรในตอนดึกก็สั่งสอนเทวดานี่คือภารกิจประจำวันของพระพุทธเจ้าคือการสั่งสอนสั์โลกให้ได้มีธรรมะชโลมจิตใจเพราะธรรมะนี่แลเป็นน้ำมนต์ที่แท้จริงถ้าเรามีธรรมะโฉลมจิตใจเรื่อยๆแล้ว จิตใจของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความเป็นสิริมงคลจึงขอให้เราน้อมเอาพระธรรมคำสอนเข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามาสู่ใจอยู่เรื่อยๆด้วยการได้ยินได้ฟังด้วยการระลึกถึงและด้วยการปฏิบัติเมื่อเราได้ทำอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าความสุขและความเจริญความเป็นสิริมงคลทั้งหลายจะเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอน จึงขอฝากเรื่องราวที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ให้ท่านนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอกุศลผลบุญที่ท่านได้มากระทากันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ด้วยอายุวันสุขภาระโดยทั่วหน้าการเธอ